บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั้นทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้โดยอนเนกกระปรยยเฉพาะในที่นี้จะได้นำหลักที่ท่านแสดงไว้ในสังคีติสูตรซึ่งราษารีบุเทระ ได้สังขยาต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการจำแน ก, ล, กลักษณะของสมาธิและผลของสมาธิไว้เป็นสีประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการตั้งสมาธิเพื่อให้ได้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันได้แก่การปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานด้วยการทำใจให้สงบ อยู่ในอารมณ์นั้นๆยังได้ย่างดึกที่ส่งแสดงไว้จนบรรลุเป็นสมาธิในชั้นต่างๆและบรรลุรูปฌานในที่สุดท่านผู้ปฏิบัติโดยเส้นทางสายนี้ถ้าหา ก, กว่าหยุดอยู่เพียงเทนีย่อมได้ชื่อว่าสร้างเหตุแห่งความสุขในปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขกิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะสามารถปิดกั้นกระแสอารมณ์ภายนอกเอาไว้ไม่ให้ทำความสับสนเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นสมาธิที่มีการสแสดงสั่งสอนกันอยู่มากสมาธิสายหนึ่งเรียกว่าเป็นไปเพื่อยานัศสนะคือเป็นการสร้างเหตุเพื่อความรู้ เพื่อความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งต่างๆหลักในการปฏิบัติได้แก่การมณสิการถึงอโล ก, กัสัญญาคือการกำหนดให้กลางคืนเป็นกลางวันเช่นเดียวกันกลางคืนกับกลางวันเหมือนกันมองเห็นความมืดเป็นแสงสว่างมองเห็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างทำจิตใจให้ สว่างเหมือนกับปลังวันมีมนทินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็เพียงพยายามขจัดมนทินใจเหล่านั้นออกไปไม่ให้มนทินเหล่านั้นเกาะจับอยู่ที่จิตของตนเมื่อมนัษยการอยู่โดยวิธีนี้ผลคือความสงบตามประเภทที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นก็จะได้ญาณะคือความรู้ และทัศนะคือความเห็นที่ถูกต้องสั้นของยานะความรู้และทัศนะความเห็นที่ถูกต้องนั้นจุดหมายปลายทางอยู่แก่อยู่ที่ความเห็นจริงเห็นความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอย่างไรซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยอนเนกประการแต่มักจะสรุปลงด้วยคาว่า ยะถาภูตญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นความเป็นจริงในนามรูปว่เาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนสามารถปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นรูปลงไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ในชั้นของการบันทาความรู้สึกด้วยอำนาจของตันหาว่าเป็นของเรา ด้วยอำนาจของมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่และด้วยอำนาจของทิจิว่านั่นเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปในชั้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันย่อมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆถูกต้องดียิ่งขึ้นในชั้นของผลก็คือความสงบระงับดับกิเลสไปโดยลำดับสมาธิอีกประการหนึ่ง เป็นสมาธิในชั้นการเสริมสร้างสติกับสัมปชัญญะให้มีปริมาณมากขึ้นภายในจิตจนกลายเป็นสติที่สมบูรณ์และสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ซึ่งคนผู้มีสติและสัมปชัญญะสมบูรณ์จริงๆนั้นมีอยู่เฉพาะพระอาหารหันต์ประเภทเดียวเท่านั้นการปฏิบัติกรรมาฐานในลักษณะนี้ ท่านสอนให้ใช้ตัวสติเป็นตัวระลึกสัมผััญญะเป็นตัวรู้ในการปฏิบัติก็คือการระลึกรู้ถึงธรรมะสามประการที่เป็นตัวปัญหาในชีวิตของคนมากที่สุดก็คือเรื่องของสัญญาความจำหมายเวทนาความสวยอารมณ์และวิตกความจรึกนึกซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมะในทางศาสนา จะสังเกตพบว่าตัวการที่สร้างปัญหาในชีวิตของคนเราก็คือการเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ต่งตางๆตามที่ใจไปกำหนดต่ออารมณ์นั้นๆว่าเป็นอย่างไรฉันสึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ความพอใจด้วยความอาฆาตปยาบาทด้วยความมุ่งเบียดเบียนมุ่งทำลายล้างซึ่งกันและกันจิตใจของบุคคลก็จะจำหมาย อารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แล้วก็นำมาตรึกนึกซ้มซ้อนเป็นการเพิ่มปริมาณความร้าร้อนให้สูงขึ้นภายในจิตใจตัวเวทนาคือความสวยอารมณ์ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าตัวปิตกคือความเหนียวดึกกลายเป็นการตรึกนึกในเรื่องที่ดี จึงตึกนึกในการที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากความวุ่นวาย ส, บสับสนจากอํานาจแห่งกรรมคุณทั้งหลายสึกนึกไปด้วยอํานาจเมตตากรุณาที่สร้างขึ้นจากเริ่มต้นจากตนเองและสรรพสัตว์ตึกนึกด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจนามองเห็นทุกข์เห็นโทษของการประทุษร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนกันสัญญาความจะหมายอารมณ์เหล่านั้น ก็จะเป็นไปในทางที่ดีสุขเวทนาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นัน้นตัวการที่จะสร้างธรรมะทั้งสประการนี้ให้เป็นไปในทางที่ดีก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะซึ่งท่านสอนให้กำหนดระลึก ร, รู้ต่อธรรมทั้งสมประการที่บังเกิดขึ้นเช่นวิตก มันตกไปในอำนาจของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสติทําหน้าที่ระลึกรู้ทันหยุดวิตกเหล่านั้นเอาไว้บรรเทาวิตกเหล่านั้นเอาไว้ได้ก็เป็นการยุติปัญหาลงแค่นั้นสัญญาความจําหมายรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสติญญก็ทําหน้าที่ระลึกรู้ต่อตัวสัญญาเหล่านั้นมองเห็นความจําหมายในลักษณะนั้น เหมือนสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบ้านในเรือนของตนจะต้องขจัดออกชำระล้างไปโดยส่วนเดียวเพื่อความน่าอยู่น่าอาศัยแห่งบ้านเรือนสติสัมปชัญญะก็ระลึกรู้ต่อสัญญาเหล่านั้นและขจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปตัวเวทนาที่บางเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตาม สติกำสำปัญญะก็ทำหน้าที่ระลึกรู้ต่วเวทนาเหล่านั้นไม่ปล่อยใจให้เกิดความยินดีในส่วนที่เป็นสุขเวทนาไม่ปล่อยใจให้เกิดความโทมนัสเสียใจในส่วนที่เป็นทุกข์เวทนาแต่ระลึกรู้ทันต่อความจริงในเวทนาเหล่านั้นว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นธรรมดาจิตใจไม่ยึดไม่ติดอยู่ในเวทนาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ก็ตามด้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของพระจัยรักด้วยกันทางนั้นตัวเวทนากับสัญญานั้นท่านเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือตัวที่ปรนปรือรักษาจิตของบุคคลเอาไว้ภ า, ายในจิตของคนจึงมีตัวสัญญากับเวทนา แม้แต่วิตกที่พูดมานั้นก็จะสังเกตได้ว่าถ้าจะถามว่าเราวิตกอย่างไรคือตรึกนึกถึงเรื่องอะไรเราตอบได้ว่าเป็นการตรึกนึกถึงเรื่องที่เราจําหมายเอาไว้ในอดีตและเวทนานั้นที่เกิดมาจากความสุขความทุกข์ก็เพราะว่าสัญญาการจําหมายตัวอารมณ์เรานั้นว่าดีกับไม่ดีพอไปเจออารมณ์ไม่ดี ก็เกิดทุกเวทนาขึ้นหรือแม้แต่เหนียวนึกถึงอารมณ์ไม่ดีก็เกิดทุกเวทนาขึ้นเวลาเหนียวนึกถึงอารมณ์ดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นตัวเวทนากับสัญญาจึงเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญในการที่จะให้เป็นสุขก็ได้ให้เป็นทุกข์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการจําหมายต่ออารมณ์ซึ่งการจะจําหมายอารมณ์อะไรก็ต้องอาศัยสติกับสัมปทัญญาเป็นตัวระลึกรู้อารมณ์เหล่านั้น อารมณ์อะไรที่ควรจำหมายก็จำหมายไว้อารมณ์อะไรที่จําหมายไปแล้วก็ให้เกิดความ ก, กระตุ้มรับร้อนประสบทุกขเวทนาก็ไม่จําหมายต่ออารมณ์เหล่านั้นเมื่ออารมณ์ที่บุคคลจําหมายมีแต่เรื่องที่ดีๆเวลาจิตไปตรึกก็จะตรึกได้เฉพาะเรื่องที่ดีๆลักษณะของอารมณ์ที่ผ่านมาจึงอุปมาเหมือนของที่บุคคลเก็บสะสมไว้ในภาชนะ เป็นการสะสมสลับทับซ้อนลงไปในภาชนะเหล่านั้นการวิตกถึงอารมณ์จึงเหมือนกับการหยิบของมาจากภาชนะปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าเก็บอะไรไว้ในภาชนะนั้นก็จะหยิบขึ้นมาได้เฉพาะสิ่งเหล่านั้นถ้าเก็บของไม่ดีเอาไว้มากหยิบทีไรก็จะติดของไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเก็บเก็บของดีเอาไว้หยิบทุกครั้งก็จะติดของดีขึ้นมา แต่ถ้าเก็บสะสมปะปนกันไปก็หยิบขึ้นมาได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นต้นตัววิตกนั้นจึงเป็นธรรมที่เกิดสืบเนื่องมาจากสัญญาถ้าสัญญาดีวิตกดีถ้าสัญญาไม่ดีวิตกก็ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าตัดช่วงเหตุเป็นช่วงหนึ่งตัววิตกอาจจะเป็นเหตุของสัญญาก็ได้เพราะธรรมะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นปัจจัยของการอะกัน ถ้าสัญญาดีพวกเวทนาก็ดีตามไปธรรมะที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงอยู่ที่สติกสัมปชัญญะสตินอกจากจะทำหน้าที่ระลึกรู้อารมณ์ต่างๆแล้วยังทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสแห่งอารมณ์ได้ด้วยคืออารมณ์ใดที่ผ่านเข้ามาจะต้องจําหมายเรื่องไม่ดีเอาไว้ก็หยุดไว้อารมณ์ใดที่ผ่านเข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่ดีๆจะหมายแล้วเป็นเกิดสุขเวทนาเกิดกุศลวิจตุ ก็ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสติกับสัมปชัญญะจึงกลายเป็นเส้นทางอีกสายหนึ่งที่จะนำผู้ปฏิบัติบรรลุผลที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ในชั้นนั้นๆสมาธิอีกประเภทหนึ่งเป็นไปเพื่อการละอาสวะการปฏิบัติในชั้นนี้ ท่านเน้นไปที่การทำจิตให้สงบด้วยกรรมฐานด้วยสมาธิทั้งสามประเภทดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นเป็นการบ่มปัญญาเป็นการเพิ่มพูนปัญญาให้สูงขึ้นภายในจิตใจพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นตัวกำหนดระลึกรู้ถึงขันธ์ทั้งห้าประการในชั้นนี้ท่านสอนให้รู้สามช่วงของขันธ์ห้าก็รู้ว่านี่ เหตุเกิดของรูปนี่คือความตั้งอยู่ของรูปนี่คือความดับไปแห่งรูปพอถึงเวทนาคือความสวยอารมณ์สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางประสาททั้งหกก็ให้กำหนดรู้โดยลักษณะเช่นเดียวกันคือกำหนดรู้เป็นสามช่วงของสิ่งเหล่านั้น อย่างในกรณีของรูปก็รู้ว่าความเกิดของรูปว่ารูปนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรดูย้อนกลับไปหาปัจจัยที่เป็นเหตุเกิดของรูปซึ่งบุคคลก็จะเห็นในด้านขององค์ประกอบว่าส่วนรูปปัจจานนั้นก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณที่เป็นองค์ประกอบกันแต่แ ท, ท้จริงแล้วปัจจัยที่ยังอยู่เบื้องหลัง ของความเป็นรูปเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ก็จะมองย้อนลงไปที่ตัวกิเลสซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเมื่อบุคคลมีกิเลสอยู่ก็สร้างกรรมเมื่อสร้างกรรมขึ้นมาก็ปรากฏมาเป็นรูปของปฏิสนธิปิญญาสิ่งทั้งสามประการ น, นี้เป็นปัจจัยแห่งนามและรูปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทไอ้ความดำรงอยู่ของรูปดำรงอยู่ได้อย่างไร บุคคลก็จะมองไปในชีวิตประจาวันของตนก็จะพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้รูปนั้นดำรงอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คืออาหารเป็นปัจจัยแข่งรูปถ้าตาบใดที่รูปนั้นไม่มีอาหารรูปนั้นก็ไม่อาจที่จะดำรงอยู่ได้และตัวลมหายใจเข้าออกซึ่งคำว่าอาหารในทางศาสนานั้น ไม่ได้หมายเพียงเฉพาะสิ่งที่ต้องดื่มต้องลิ้มต้องรับประทานเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงจําแนกอาหารไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันคือกระลิงก ร, ราหารอาหารที่จะต้องดื่มต้องลิ้มเข้าไปทางปากภาษาอาหารคือการกระทบระหว่างประสาทสัมผัส ถึงจะเห็นได้ว่าเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นิมรดกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจสึบนึกถึงอารมณ์นั้นก็นำผลมาทั้งหมดส่วนจะดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้ในฐานะของอาหารก็เป็นอาหารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้แก่ประสาทสัมผัสที่เรียกว่าจักรูวิญญาณเป็นต้นหรือความรู้ทางตาเป็นต้นก็ออกมาในสมในหลักษณะ และมโนสัญเจตนาหารคือความจงใจตรึกนึกที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็กลายเป็นสิ่งที่นําผลมาให้ส่วนจะผลดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตรึกนึกเพราะคําว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นําผลมาเท่านั้นนําผลมาเป็นนําผลที่ดีมาก็เกิดสุขเวทนานําผลที่ไม่ดีมาก็เกิดทุกขเวทนา ทนี้ความดับแห่งรูปก็คือความดับแห่งปัจจัยต่างๆที่มาประกอบกันยกตัวอย่า ง, งเช่นความดับของชีวิตความดับของชีวิตนั้นนอกจากปัจจัยในเชิงรูปธรรมแล้วยังมีปัจจัยในเชิงของนามธรรมคือวิญญาณที่ออกไปจากร่างอย่างที่ท่านสอนให้พิจารณาตามหลัก เวลามีการตายก็จะนิมนต์พระไปสวดท่าศพเหล่านั้นเป็นการแสดงถึงความจริงของท่าศพเหล่านั้นแล้วตลอดถึงสิ่งที่เรียกว่าบางสกุลเป็นจึงมักจะสวดกันแต่พระก็สวดเป็นภาษาบาลีว่าจริวะอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเศสสติจากนอนทับเหนือแผ่นดินจุดเดอ จุดโอเปตวิญญาโนมีวิญญาณที่ปราศจากไปแล้วรัดทางวะกละิงกรังก็เหมือนกระท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารอะไรไม่ได้ซึ่งก็หมายความว่าพวกรูปประทมทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนั้นต้วนแล้วแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น มีตัวเหตุปัจจัยกล่อเลี้ยงรูปเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรแป ร, ปรปวนไปในขณะที่ดำรงอยู่เตียวกาสหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยของความดำรงอยู่หมดสิ้นไปรูปทุกชนิดก็จะต้องแตกดับไปเมื่อมองไปในเวทนาก็จะมองเห็นโดยลักษณะเช่นเดียวกันว่าตัวเวทนาที่ก่อออกมาเป็นรูปความสุขความทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น มีเหตุเกิดที่สลับซับซ้อนอย่างในสายของประสาทสัมผัสก็เกิดมาจากอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิน่นรสผลธตภัธรรมารมมากระทบกันก็ก่ขอขึ้นมาเป็นรูปของวิญญาณเมื่อวิญญาณก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบต่อแต่นั้นก็จะกลายเป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์ เวลาท่านเรียกเต็มที่ท่านใช้คำว่าจากักขุสัมผัสชาเวทนาแปลว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยแต่การที่จะออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนั้นปัจจัยจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงจิตซึ่งบุคคลเคยกำหนดต่อรูปเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในฐานะอะไรรูปรูปเดียวกันแต่คนมีความรู้สึกต่อรูปเหล่านั้นไม่เหมือนกัน เมื่อประสบรูปอันเดียวกันนั้นคนจะมีความรู้สึกเป็นเวทนาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้สุขบางคนอาจจะได้ทุกข์บางคนอาจจะเฉยๆดังนั้นปัจจัยแแห่งการเกิดขึ้นของเวทนาจึงมีปัจจัยทั้งอดีตและปัใจจัยในปัจจุบันการดำรงอยู่ของเวทนาก็เป็นการหล่อเลี้ยงกันแบบเหตุแบบปัจจัยเมื่อปัจจัยเหล่านั้นสลายเวทนาก็ดับ การดับการเกิดขึ Dance, Сам, ian, Jonathan, ้นการตั้งอยู่การดับไปของเวทนาสัญญาสังขารบิญยานั้นเป็นการเกิดดับอย่างเร็วผิดกับการเกิดดับของรูปการเกิดดับของรูปก็ช้าหน่อยส่วนธรรมะอีกสามประการนั้นเกิดดับไปได้เร็วมากเมื่อบุคคลมาพิจารณาดูอยู่โดยวิธีนี้ก็จะเข้าใจถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายโดยโยงมาจากการดูตนเองเป็นเบื้องต้น เราจะมองเห็นว่าชีวิตแต่และชีวิตก็คือขันทั้งห้าประการนั่นเองและขันทั้งห้านั้นลวนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่เคยมีอยู่คือการยึดถือมั่นในลักษณะต่างๆด้วยอำนาจกามุปาทานจนกลายเป็นกา ม, มาสวะ คือความหมักโหนมทางจิตที่กําหนดสิ่งทั้งหลายว่าน่าใคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจจนมีการสําคัญมั่นหมายไว้ว่าเป็นของเรานั่นเป็นของเรานั่ น, เ ป, น, เ, น, นเป็นของเราไปเรื่อยไปนั่นแท้จริงแล้วของเรานั้นไม่ได้มีอยู่ของเราจึงเป็นความจริงขั้นสมมติสัจจะเท่านั้นแต่ในแง่ของความจริงอันแท้จริงแล้วแม้แต่กายของเราก็ไม่เป็นของเรา สิ่งอื่นซึ่งคขวยคว้าไปยึดถือว่าเป็นของเรานั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรความเคยยึดเคยจิตด้วยอํานาจของอุปาทานหรือด้วยอํานาจของกาหะต่างๆที่ท่านแสดงเอาไว้ก็จะบรรเทาบาบางลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาสวะที่หมักหมมอยู่ภายในจิตได้แก่พวกกามาสวะอาสวะคือกาม เก็บสิ่งต่างๆไว้ในฐานะน่าคลายน่าปรารถนาะน่าพอใจพาวาสะวะเก็บความมีความเป็นความยึดความติดในรูปลักษณะต่างๆและวิชาสะวะซึ่งเป็นตัวรากง่าวของกิเลสทั้งมวลซึ่งมีชื่อต่างๆนั้นก็จะค่อยๆบรรเทาบาบางลงไปเพราะเมื่อบุคคลรู้ความจริงในจุดหนึ่งได้แล้ว ก็าสามารถเชื่อมโยงเข้าไปรู้ความจริงในจุดอื่นๆได้เพราะว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายในโลกนี้มีเอกภาพที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อยู่สามอย่างคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้สภาพจิตของบุคคลที่มารู้แจ้งขันทั้งห้าตามความเป็นจริงนั้นก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตของท่านผู้นั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในท้ายประศูน์เป็นอันมากว่าลูก่อพภิกษูทั้งหลาย อริยะสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้คือเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจนปล่อยวางความยึดติดว่าของเราเป็นเราเ ป, เป็นตัวตนของเราลงไปได้นั้นก็ <c oughs> จะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเ <c oughs> บื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเ <c oughs> บื่อหน่ายในปัญญาเมื <c oughs> ่อเกิดความเ <c oughs> บืญญ่อหน่ญญาย จิตก็จะคลายความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อจิตคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็เกิดยานรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่อแต่นั้นก็จะเกิดยานผุดขึ้นภายในจิตใจว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อการละและเพื่อการบาเพ็ญ น, นั้นก็เสร็จแล้วกิจอื่นในลักษณะนั้น สกิจอื่นในลักษณะของการละการบำเพ็ญก็ไม่มีอีกต่อไปซึ่งผลเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แก่คนที่จับสมาธิสายใดก็ได้คือสายที่เป็นการทำความสงบมาจนถึงรูปฌปานแล้วเจริญวิปัสสนาจากจุดนั้นสายของอารลกกสัญญาคือมานาติการเห็นแสงสว่างจนเกิดญาณทัศนคือความรู้ความเห็น ในสายที่จะเสริมสร้างสติสัมปชัญญะจนถึงกับสาที่ทําอาสวะให้สิ้นไปมีจุดที่จะบรรจบกันคล้ายๆกับบุคคลต้องการจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งด้วยอาศัยยานพาหนะหรืออาศัยถนนสายใดยก็ได้แต่ก็มีจุดหมายปลายทางในสถานที่เดียวกันทิวทัศน์ข้างทางที่พบในระหว่างเดินทางนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน แต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ละคนจะพบจุดหมายปลายทางกันเดียวกันซึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นทางจิตอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นคือจะเห็นความจริงในนามารูปทั้งหมดเพราะความข้องความติดอยู่ในโลกนั้นก็คือข้องติดอยู่ในนามารูป ก, การปฏิบัติอะไรก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริง ในานามารูปหลดนั้นจนสามารถปล่อยวางความยึดถือซึ่งมักจะทรงใช้อยู่สามประโยคว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเอโหสหามัสมิเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เอโสมีอัตตานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเกิดจนถึงขั้นดังที่กล่าวแล้วเป็นความหลุดพ้นที่จะไม่มีความกาเริบอีกต่อไปได้โปรดเข้าใจว่า ระยาบุคคลระดับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมุทเฉทวิมุตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้เด็ดขาดจะไม่มีการกาเริบอีกต่อไปที่ทรงแสดงไว้ว่ากิเลสใดที่พระโสดาบันละได้แล้วเธอจะไม่หวนมาจะไม่กลับมาจะไม่หวนกลับขืนมาสู่อำนาจของกิเลสนั้นอีกต่อไป จป่ปวยกล่าวไปใหญ่ถึงพระสกทาคามีรน า, าคามีและพระรหัน์ความหลุดพ้นของพระเรียเจ้าทั้งมวลจึงเป็นความหลุดพ้นที่เด็ดขาดไปเลยและเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามนี้คือจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติสมาธิทางพระพุทธศาสนาซึ่ง บุคคลผู้มีศรัทธาในศาสนาจะเลือกปร ะ, ประพฤติปฏิบัติบนเส้นทางสายใดก็ได้แต่จะพบจุดร่วมอันเดียวกันดังกล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป